เงาคุณนะะั่นแหะคุณไม่เอาอัลลอฮ์แต่เอาเงาของคุณน่ะเอาเอัลลอฮ์เดียวพูดง่ายๆอะ่ะตัวคุณไม่เอาอัลลอฮ์แต่ร่างของคุณนั่นเอาอัลลอฮ์เลือดของคุณก็เอาอัลลอฮ์เส้นเลือดของคุณนะ่ะเลือดที่วิ่งอยู่ในร่างกายนะ่ะเอาอัลลอฮ์อยู่แล้วมีอุลมามะบางท่านอธิบายว่าพอเราเนี่ยตัดเอายยวะเนี่เลือดมันจะไหลพุ่ง่ะ พอเวลามันพูดมันจะเขียนเป็นอัลลอฮ์เลยเวลมันขึ้นไปนี่นะมันขึ้นไปมันจะเขียนว่าอัลลอฮ์นี่มีอุลมามะบางคนอธิบายไว้แสดงว่าถ้าหากตัวท่านใจท่านไม่รับอัลลอฮ์ไม่สวดอุญให้กับอัลลอฮ์แต่ว่าอวัยวะในร่างกายของคุณนั้นเชื่ออัลลอฮ์แม้แต่เส้นเลือดของคุณเลือดเนี่ยถ้าหากว่าถูกถูกฟันหรือว่าถูก ทำรายร่างกายเลือดวันละมันพุ่งขึ้นเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นด้วยเขียนว่าอัลลอฮ์อย่างยี้เป็นต้นเลยท่านสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆบตัวเรานะั่ยเอาอัลลอฮ์หมดสุญูต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดถึงว่าใจของท่านไม่เอาอัลลอฮ์ก็เชิญไม่ว่ากันใช่ไหมนะแต่ว่าสรรพสิ่งรอบตัวกูนั้นสุญูต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหูอัลลาห์คำว่าสุญูตยอย่าไปมองว่าต้อ ง, องสุญูตแบบแบบแบบแบบมนุษย์นะ มีทีวี ท, ทีสุดยุดเยอะที่อัลลอ์สอนแต่เราไม่รู้่กบเคียดสุดยุดต่ออัลลอ์โดยการสรรเสริญอัลลอฮ์นี่เคียดที่ร้องเนี่ยบางคนแปลว่าอสุบฮานอัลลอฮ์ลฮัมดูลิละไก่กขันก็เหมือนกันสุดยุดต่ออัลลอฮ์ำลึกถึงอัลลอ์กล่าวว่าไงนะ Allahu Akbar, Allahu Akbar, อัลลอฮุอะกบัตอัลลอฮุอกบตอูสุูรุลลอฮ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ มินัลยามีนิวชมาอินเงาของมันเนี่ยไปทางซ้ายบ้างแล้วไปทางขวาบ้างยามีนแปลว่าทางขวาชมาอินทางซ้ายตามแสงแดดนี่ไงได้ไหมแดดจะไม่มีหรอกแต่อธิบายให้ฟังนะตามแสงแดด <c oughs> สุดยอดลิลล์กราบเห็นไหมสุดยดันแปลว่ากราบตกลงว่าเงานี่กราบหรือไม่กราบกราบเงากราบอัลลอฮ์ไหมเงากราบอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลากราบตอนไหนตอนที่แสงดวงอาทิตย์นะ่ะคล้อยไปทางตะวันตกเงามันก็จะทอดออกไปทางนี้ทางนั้นนะถ้าเรายืนอย่างนี้ใช่ไหม ทางทางซ้ายมือเราเนี่ยมันจะไปทางทิศตะวันขึ้นนะนั่นแสงแดดกาลังรุ่งเต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหุวาตานาห์เข้าใจนะเพราะนั้นเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์สอนให้เราดูเงาตัวเองแล้วก็เงาสปปรรพสิ่งทั้งหลายนะซุดยาดัลลิลมันกราบกราบนี่แปลว่านอบนอบ หรือว่าสุจูต่อ a l ล a h سبحانه และ ت ع ا ل าลิลลวะุมดาฮิรุนวะหุมหมาถึงสรรพสิ่งทั้งหมดสรรพสิ่งทั้งหมดเนี่ยเอา้าเงาก็ดีต้นไม้ก็ดีดวงอาทิตย์ก็ดีดวงจันทร์ก็ดีทั้งหมดนั้นเป็นอะไรดาฮิรุนทำตนต่อ Allah มากที่สุดเลย ดาคิรุนแปลว่าถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ س ب ح ا ละต่าอลอฮอลฮัมดุลิลละขอบคุณอัลลอฮ์นี่ถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าเรื่องเงาเนี่ยเราก็ไม่รู้โอ้ฉะนั้นเรากับเงาเนี่ยถ้าเราไม่นามาต์เงาเราดีกว่าเราถ้าเราไม่สุญญุต่ออัลลอฮ์เงาเราดีกว่าเราแล้วกลางคืนก็มีเงาไหมเงามีอ่ะอ่า เขาเรียกอะไรนะชาโดใช่ไหมชาโดชาโดเงาอ่ะเด็กบางคนกลัวเงาอ่ะเห็นเงาขึ้นที่ฟ้าเนี่ยยกมือขึ้นโอ้เงาเงาเง า, ง า, งาชาโดชาโ ด, าดมากลัวแล้วฉะนั้นขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้มีเงาอ่ะไอ้เงานี่ยนะเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบต Allah, ัติตามอัลลอฮ์ سبحانه แลนะก็ถึงน้เอาสิ่งที่ได้าจากอาย่านี้อะไรบ้างครับอัลลอฮ์ทรงแจ้งให้ผู้ที่ขัดขวาง อัลลอฮ์บอกกับคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่วางแผนทำลายสุนนห์นบีวางแผนทำลายมุสลิมวางแผนทำลายอิสลามทำไมอ่ะยิ่งทำลายเท่าไรอัลลอฮ์ต้องการจะบอกว่าไม่สามารถที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์หรอกไม่สามารถที่จะดับรัศมีของอัลลอฮ์ด้วยลมปากของท่าน อัลกุรอานแลอย่างอื่นมียูรีดูนะไอยุตฟิอูนูรอลลอฮิบิอัลุวาฮิฮิมมนุษย์เนี่ยบางกลุ่มต้องการที่จะดับรัศมีด้วยลมปากของพวกเขาเองวะนะทิลลอฮะแต่อัลลอฮ์นั้นยู่เต็มมนูรหูจะให้รัศมีของอัลลอฮ์มาถึงศาสนาอิสลามเลยนะเจริญก้าวหน้าต่อไปนะ ในโลกนี้ทุกหลังคาเรือนจะรับอิสลามไม่มีบ้านหลังไหนที่จะไม่รับอิสลามไม่มีแต่รับมีอยู่สองอย่างรับโดยความสมัครใจกับรับโดยความฝืนใจสมัครใจกว่ามีแล้วก็ฝืนใจก็มีไอ้ฝืนใจอธิบายยังไงไอ้บ้านนี้ก็รับบานนี้ก็รับบ้านนี้ก็รั บ, บ, นนรบอยู่ในซอยเดียวกันนยี่สบหลังรับไปแล้วสบปดเอ๊ะพีอีกสองหลังเนี่ย ไม่รับไม่ได้อ่าเรียกว่าฝืนใจครับถ้าไม่รับกลัวจะระบากอ่ะอ่าก็เลยรับรับรับไปอย่างนั้นเลยเอาละเขารับเพราะคุณอ่านพูดอย่างนี้รับโดยสมัครใจก็มีเยอะกับรับโดยไม่สมัครใจรับแบบมมนาฟิกไงรับแบบคนมมนาฟิกอ่ะรับยังไงรับแต่ข้างนอกแต่ข้างในไม่รับปากว่าฉันเป็นมุสลิมแต่ใจ อยากจะขยี้พี่น้องมุสลิมอยากจะขยีแผนการของอัลลอ์จะตายไปอา้าวไม่เป็นานี่เล่าให้ฟังนะครับนี่เชื่อกุรอานถือปฏิบัติตามกุราอานก็พูดอัลลอฮ์อัลลอฮ์พูดเรื่องเงาสองอัลลอ์ได้ให้เราสังเกตดูนะไม่ใช่สังเกตดูเงาอย่างเดียวนะสังเกตดูเนี่ยมนุษย์ด้วยกันให้สังเกตดูต้นไม้ ของแข็งให้สเกตดูสัตว์ให้สังเกตดูมาลาอิกาอ้าอย่างมาลาอิกเตตอ า, าเนี่ยสูญอยู่ต่อรอไหมสูญเนี่บนชั้นฟ้านี่นะบนชั้นฟ้านี่นะฮะดิสตานบีสอนว่าไม่มีที่ว่างนะแม้แต่จะสักสี่นิ้วไม่มีที่ว่างเลยนะจะเต็มเอทไปด้วยมาลาอิกะหมดลลยแล้วก็เสียงบนชั้นฟ้านี่มีเสียงดังอย่างงี้ดังเอท เงียเงียเหมือนกับเรานั่งอยู่บนเตียงเตียงมันจะพังเลยสิก่อ น, นั่งกันแน่นหมดเลยใช่ไหเสียงนี้เป็นไงเงีอัดอ่ามันจะพังบนชานฟ้าก็เหมือนกันมาลาอิกะเต็มไปหมดแน่นเกือบจะพินาศเกือบจะถล่มลงมาแล้วอ่ะถามว่ามาลาอิกาเนี่ยทำอะไรอยู่บนชานฟ้าบางกลุ่มเนี่ยนะมลาอิกาบางท่านเนี่ย เอาะไรเนะเอาสัง่งเนี่ยมาจอที่ปากเนี่ยรอที่ให้อารออเป่ารอให้อารออสัง่งก็สั่งป้าก็เป่าพูดตายหมดเลยอะ่ะละมาเลก้าบางกลุ่มเนี่ยกำลังยืนอยู่ในท่ายืนยืนมากี่พันปีแล้วน่ะตถ้ต่สร้างโลกดุนยาไปนี้มาเนี่ยเป็นล้านล้านปีทัแสนปีแล้วเมื่อยไหมมาเลก้าไม่เมื่อยมาเลก้าบางกลุ่มกําลังสุดูดอยู่ก็มี บางกลุ่มกำลังรู้กลัวอยู่ก็มีตั้งแต่วันสร้างโลกเนี่ยแล้วก็มีมลาัายกายอีกกลุ่มหนึ่ง <c oughs> อยู่กับใบตุลมาโมดที่ใบติลมาโมดที่ใบตัลมาโมดใบตุลมาโมดเนี่ยอยู่ที่ชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนี่นะเ <c oughs> ข้าเข้าไปในใบตุลมาโมดเนี่ยวันหนึ่งประมาณเจ็ดหมืนองค์ เราเข้าไปเลยแล้วไม่ได้ออกด้วยเข้าไปแล้วไม่ได้ออกเนี่ยมาไละกาเหล่านี้น่ยสุดยู่ต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตะตาอาลาฉะนั้นจํานวนมาไละกาเยอะมากครับนับไม่ท้วนนะครับสุดยูต่ต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดกุรานตรงไหนรู้ว่ามาไละกาเนี่ยไม่ไม่ทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์ลาอิยาซูลลอฮามะอามารฮุมวายฟอาลูนามายุมารุนมาไลกาเนี่ยไม่ทรยศ ต, ต่ออัลลอฮ์เลย มาลิกาทุกทุกทุกอง์ทุกท่านเนี่ยนะไม่ฝ่าฝืนคําสั่งอัลลอฮ์เชื่อปฏิบัติตามอัลลอฮ์ทั้งหมดนะั่นให้เราสังเกตดูต้นไม้สังเกตดูอะไรนะสังเกตดูเนี่ยอะไรมนุษย์สังเกตดูยินเอายินอยู่ที่ไหนเรามองเห็นเป่าวยินเรามองไม่เห็น เ, เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่มองไม่เห็นยินแต่เห็นยินแล้วยุ่ง เ, เองอ่ะมันนั่งอยู่ในโซ่เราเนี่ยใช่ไหม แล้เห็นมาลาอิกาก็ไม่เอาอีกแค่นั้นเห็นเมียพอแล้วก็เห็นม้าแล้วพอแล้วก็เห็นรถที่เราซื้อมา ก, กับบ้านอะม์ยูริลล่ะยังมีมารลูกอีหลายมารลูกที่เรามองไม่เห็นตัวอะไรบ้างไซตตอนยินมาลาอิกาอยู่กับเรานี่แหละแต่ท่านเวลามาให้ไซตตอนเข้าบ้านทําไงให้อ่านอะไรบิสอัลฮัมดุลิลล่ะ อะไรบิสมิลลาอัลลอมุมะลีกุลอย่างน่อต้องให้สลามไม่ให้ใช้ตอนเข้าบ้านต้องให้สลามเวลาจะเข้าบ้านขอพักเราก็เหมือนกันให้ใช้ตอนมันเข้านะแล้วก็ตอนเข้าห้องน้ํามันน้ที่ใช้ตอนอยู่จริงๆนะนะเราต้องขอความคุ้คมครองจากอัลลอฮฺฉะนั้นมรุกต่างๆเหล่านี้อัลลอฮฺให้เราสังเกตดูและให้ระวังตัวอย่าให้อิทธิพลของมันนั่นมาคุมเรา อย่าให้มีอิทธิพลเหนือเราให้เราขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์ุตาละมุญจาฮิตท่านมุญจาฮิตอธิบายดีนะก็ะบอกว่าอิดะฮ์จาติชัมสเมื่อดวงอาทิตย์เนี่ยคลอยไปทางทิศตะวันตกซาจาดะคุลุชัยอินลินละฮิอัลลอฮฺวาญทุสิ่งทุอย่างจะสุญูดต่ออัลลอ์หมดเลย ทัตอนเช้าและตอนเย็นเงาห้องมันเนี่ยสูดอยู่ตอลอดทั้งหมด อ, อัลลอฮ์วันนี้ถ้าไม่อ่านกุรอานรู้ไหมไม่รู้นี่อลัลลอฮ์เล่าให้เราฟังขอบคุณ อ, อัลลอฮ์จะนั่งมนุษย์อย่าทรยศต่ออัลลอฮ์สิ่งที่จะทําให้มนุษย์เสียหายในเยอะมากสิ่งที่อะล่อให้เราเสียหายในเยอะไปหมดเลยจะนั่นถ้าเราไม่เรียนศาสนาเนี่ยถูกหลอกอืถูกหลอกอ เอาต่อมาครับถ้าบอกภูเขาก็ุศลอยู่ต่ออัลลอืมนะต้นไม้สูศอยู่ต่ Allah. ตออัลลอฮ์ต้นไม้สุศอยู่ต่ออัลลอฮ์บางท่านอธิบายบอกว่าไงมันออกผลไม้แล้วมันออกดอกมันมีต้นไม้อยู่ชนิดหนึ่งนะพันธุ์น้องมันเนี่ยเวลามันร่วงร่วงพ้องกันหมดเลยนะเนี่ยแต่หามันไม่ร่วงว่ามีอยู่ต้นหนึ่งว่า ก, กูไม่ร่วง Allah. อัลลอฮ์ไม่มี ต้นไม้อยู่มีอยู่พันหนึ่งกี่แสนต้นก็ตามเวลามันร่วมมันร่วงหมดเลยนะไม่เหมือนมนุษย์มนุษย์มีอยู่พันคนไม่สู่อยูตอ่ต่อรออาจจะมีสักแปดเก้ารอคนก็ได้สองรอคนนี่สู่อยู่ต่อรอไม่เหมือนกับต้นไม้ต้นไม้นี่มันสู่อยูตอ่ต่อรอพร้อมกันหมดเลยไม่มีใครทรยศต่อลอแม้แต่ต้นเดียวนะเอาต่อมาครับอายาที่สี่สิบเ้า والله ยาสจุดุมะฟิสซามะวะติวะมะฟิลอารบีหมินดาบะวะลมาลาอิกะตัวหุอายะห์สี้น mm ี่อธิบายชัดมากเลยนะครับนี้อัลลอฮ์เล่าเองนะและที่อยู่ใน ชาฟามาฟิสสามารถแปลตรงนี้ก่อนที่อยู่ในชาฟ้าว่ามาฟิลอาร์ดีและที่อยู่ไหนแผ่นดินทําอะไรครับยัสมจุดูยัสมจุดูตังกราบนะยัสมจุดูมันกราบกราบเพื่อใครลิลลยกราบเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮฺวะตาอัล สรรพสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหมดและสรรพสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดนั้นตรางกาบอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีอะไรบ้างมินดาบะตินสัตว์โลกโอสัตว์สีเท้าเนี่ยเห็นไหมแพะแกะวัวควายสุญญ์แต่สุญู์อยังไงไม่รู้ ถ้ารู้แล้วจะหนาวสุญญหมดบางอลมามะกขบอกว่าสัตว์เนี่ยเวลาเราไปรีดนมมันแล้วมันยืนเฉยเห็นไหมรออาวาแล้วมันให้นมทุกวันนั่นน่ะเป็นการเชื่อฟังอัลลอสุบฮานาหูวาตาอหลาแม้จะพึ่งเนี่ยพึ่งเนี่ยอัลลอว่าให้ให้กับพึ่งอัลลอว่าหให้กับมนุษย์ วะฮีให้กระเพิ้งวะฮีให้เพิ่งทำไมทำรังที่ไหนที่ต้นไม้ตามบ้านตามร้านต่างๆเนี่ยเนี่ยอโลโอัลลอฮฺวะฮีให้หมดเลยขอบคุณอัลลอฮฺถ้าอัลลอฮฺไม่เล่าเราไม่รู้นะครับวาลิลลาฮิยัสยูดูมาฟิสซามาวติวมาฟิลออสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและที่อยู่ในแผ่นดิน ต่างสูดอยู่ให้กับอัลลอ์มีอะไรบ้างมินดาบะินสัตสี่เท้าสองเท้าสัตว์ทุกชนิดเป็ดไก่สูดยูต่ออัลลอ์หมดแล้วอา้าวไก่มันสูดยูตต่ตอนไหนอ่ะมันอาจารตอนซุโบอ่ะคนที่เลี้ยงไก่รู้ไหมรู้แต่เจ้าของมันนอนเฉยไก่นั่ขึ้นแล้วเอ็กอีเอ็ก มันขันว่าไงอุษกรุลลอไปรำลึกถึงอลัลลอ์กันเถอะเจ้าของที่เลี้ยงฉันเอ้ยเวลาไก่ขันว่าแกอุษกรุลลอไปจำลึกถึงอลัลลอ์เอวลมาลาอิกตุนอกจากสัตว์แล้วใครอีกที่สุญต่ออัลล์มา ล, ออลาอิกอัลลอฮุอักบมาลาอิกาโกสุญญูต่ออัลลอ์แน่นอนอธิบายแล้วหลายครั้งแล้วมาลาอิกากสุญต่ออัลล์ วะฮุมและยาสตาคือบรูและพวกเขาไม่ยิงเลยเพราะพวกเขาไม่ยิงไม่ยิงพออยองฉะนั้นคนที่ยิงพออยองวันนี้ก็คือมนุษย์มีอยู่มักโลกเดียวมีอยู่มักโลกเดียวสิ่งถูกสร้างอันเดียวที่ทรยศต่อรอก็คือมนุษย์ใช่หรือไม่ใช่ใชอานะ พออบีมุฮัมมัดมาเนี่ยแบ่งคนออกเป็นกี่กลุ่มสองกลุ่มกลุ่มที่เอาอัลลอฮ์และไม่เอาอัลลอืมเห็นยังขอบคุณอัลลอฮ์เพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าไม่อ่านคุณอ่านเราไม่รู้ว่ามันสุญูุตต่ออัลลอฮ์พักดีต่ออัลลอฮ์ไม่เมเยอร์ยิงไม่จองหองเพะนั้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์เป็นคนเยอร์ยิงคนไม่สุญญุตต่ออัลลอฮ์เป็นคน โอ้เป็นคนที่โอหังอวดดีถามว่าอัลลอฮ์หมันไส้ไหมแน่นอนอัลลอฮ์โกรธไหมแน่นอนอัลลอฮ์โกรธนะทำไมอัลลอฮ์ไม่ลงโทษมีคนถามว่าฉันไม่เอาอัลลอฮ์มาตั้งนานแล้วทำไมอัลลอฮ์ไม่เล่นงานฉันอัลลอฮ์บอกนะันพีอุารานแปลว่าตาบด้ที่คนยังเดินต่อ ว, ว่าอยู่ที่นครมักกะแล้วก็กล่าวว่าไงนะ กุฟรลอนะคะหรืออัสตัฟิรุลลอห์ฉันขออภัยโทตออัลลอฮ์คนที่ไม่เอ า, าศาสนาคนที่ทรยศคนที่โอหังอวดดีที่อยู่ตามประเทศต่างๆของโลกนั้นอัลลอฮ์ประวิงเอาไว้จนกว่าเขาจะตายอย่างอายาที่ผ่านๆมาเนี่ยอัลลอฮ์ว่าฉันเนี่ยนะให้เขาป่วยทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยผลที่สุดให้เขาตาย ฉันเอาเงินของเขาออกทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยแล้วจนในที่สุดให้เขามีปัญหาทีละน้อยละน้อยละน้อยแล้วก็ให้เขามีจบในที่สุดทั้งสามสี่รายการที่เอาล่อเอาทีละน้อยเนี่ยเพื่ออะไรต้องการจัดเตือนเขาให้ได้สํานึกตัวแต่บางคนนะ่ะถูกเตือนแล้วเนี่ยไม่สํานึกยังดันทุรัง ต่อไปอีกและเป็นไงตายในสภาพที่ไม่รู้จักอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาตาแล้วลเป็นไงครับอาซาบการทรมานในกูโบะจออยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะไมนามานนี่เท่ากับสร้างสร้างอะไรนะสร้างสายล่ออาซาบไว้รออยู่ในกูโบะไม่จายสกาเนี่ยสายสร้างอะไรนะสายล่ออาซาบไว้ในกุโบ ไม่ถือสินอดเอดี๋ยวดมาบอนี่จะมาอู่ไม่กี่วันนี่ถ้าไม่ถือสินอดนะสร้างสายล่ออะไรนะล่อการทรมานอยู่ในกูโบเต็มไปหมดเลยค่ะจานั้นคนที่รำลึกถึง a, อัลลอน์หกขอบคุณอัลลอ์นอบน้อมต่ออัลลอ์เชื่อฟังอัลลอพ์กป้องอาดาบการทรมานทั้งหมดเลย อ, นะอัลลอฮฺอัลลอะฮฺอัลลอฮฺอัลอฮฺอัลลอฮัลลอฺ่อัลลอฮฺอัลลออัลลออัลลอราอลลอฮฺอัลลลอ ฮะดิษนบีมีอยู่ฮะดิษหนึ่งต้องการจะอธิบายเสริมอญญายานี้มันต่อว่าว่าใครที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์รอฟ่ารอฟาอัลฮุลลอออัลลอฮ์จะยกเขาให้สูงเนี่ยว่าอ่านเนี่ยนึกใครที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลอลอฮ์อัลลอฮ์จะยกเขาให้สูง รู้เปล่าท่าไหนอ่ะท่าที่ตําที่สุดท่าที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ที่ตําที่สุดเลยนะ่ะที่ดีที่สุดนะ่ะท่าไหนท่าสุยูดอลัลลอฮ์เอาหน้าผากเอาจมูกเนี่ยเอาปากเนี่ยวางไว้บนพื้นดินเนี่ยนิดดีนะยังมีมัสยิดสวยลอเนี่ยแต่สมัยนบีมีอย่างนี้เปล่าไม่มีบนทราย อัลลอฮ์แล้วก็อาหัหน้าเราเนี่ยหน้าอย่างรอรออย่างสวยนีย่ที่เราคิดว่าดีที่สุดนี่นะไปสู้อยู่ต่ออัลลอฮ์นั่นนั่นเป็นท่าที่นอบน้อมถ่อมตนต่ออัลลอฮ์ที่สุดไม่มีท่าอื่นแล้วแ้่ท่านคนที่ทําตัวอย่างนี้เนี่ยนะอัลลอฮ์มองว่าคุณน่าเป็นคนที่ไม่โอหังคนที่ไม่เย่อหยิงไม่จองหองและอัลลอฮ์จะทําไงรู้ไหมอัลลอฮ์จะตอบสนองให้คุณนั้นรอฟ้าอ่า คุรออัลลอฮฺจะยกให้สูงส่งเลยไอ้คนที่ไม่เคยสู้อยู่ต่ออัลลอฮฺเลยนี่น่ยอัลลอฮฺด่าแล้วว่าเป็นคนโอหังแล้วอัลลอฮฺจะทําให้ต่ําลงนะไม่ชอบเราจะทําให้สูงขึ้นนะทําให้ต่ําลงแย่ลงอย่างนี้เป็นต้นสังเกตไหมอุลามะท่านหนึ่งอธิบาย บ, บว่าแพะแกะวัวควายเนี่ยมันสู้อยู่ตอนไหน มันสูดจุด ต, ตอนที่มันกินกินอาหารนะมันเอาจมูกมันปากมันไว้กับพื้นเลยนะเหมือนกับมนุษย์เนี่ยตอนเราหนามาท่าสูดจุดนั่นตอนเอาหัวกับศีรษะปากจมูกเราเอาไว้กับดินนั่นแหละคืการสูดจุด ต, ต่ออัลลอฮ์แพะแกะวัวควายเนี่ยเวลามันกินหญ้าทีนกินน้ําทีนึงมันเอาจมูกปากของมันนะ่ะ ไปไหว้ที่พื้นนั่นเป็นการสุญยุตต่อ Allah โอ้ฮามดุลิลละฉะนั้นเราจะทําแบบวัวควายได้ไหมเห็นมันกินหญ้าเราก็กินข้าวว่างอ่ะใครบอกคุณละการกินข้าวมันต้องสุญญุตซิจไนะไม่น่ะเพราะสุญยุตปั๊บสัตว์ทาเหมือนเราแต่ของมันมันท่ากินแล้ะท่ากินหญ้าท่ากินน้ําแต่ของเราเนี่ยนะท่านามาดฉะนั้นต้องนึกตรงนี้ด้วยนะครับ ท่านฟังศาสนาเยอะๆดีไหมดีถ้ามาเราได้เป็นคนที่หัวใจที่นอบน้อมทอมตนต่ออัลลอ์สุบฮานาหูบาดะลาอ้อดีมากนะครับหัดิษบทไหนครับมันแปลว่าบาลิลลาฮิใครที่นอบน้อมทอมตนต่ออัลลอฮ์อัลลอ์จะทำไงครับรอฟา้าฮุลลออัลลอ์จะยกให้สูง <c oughs> ยิ่งก้มเยอะๆดีไหมดีรวมไปถึงคนที่แก่ๆเน่ยถานน้ำมาันเยอะๆนะหลังจะไม่งอหลังจะไม่งอสังเกตสังเกตสังเกตคนที่นามานเยอะๆเนี่ยหลังจะไม่งอคนที่น้มานเยอะๆหน่าจะมีรัศมีอัลลอฮฺให้เห็นน่ะเห็นโอ้ คนที่นมาศเยอะๆเนี mat, antenna, ่ยมันม mm ีรัศมีจะนั่งตรงไหนมีบารักัดคนจะคุยจะอะไรเนี่ยเขาให้เกียรติกันนะคนเนี้นมาศเยอะทำเดรริลรัศมีที่ใบหน้ามันมีจะพูดจานี่ก็ดีนะครับเอาต่อไปครับอายะที่ห้าสิบยาคอฟูนรโรบบาหุมมิฟาวกีหิมยาคอฟูนาทุกชนิด ที่เอ่ยมาทั้งหมดเมือ่อกี้นี่จะเป็นอะไรอะ่ะจะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์จะเป็นมะลายิกาจะเป็นต้นไม้จะเป็นมนุษย์เนี่ยนะที่เขาสู้อยู่ตอนล่อเนี่ยทําไมสูงอยู่ล่ะอย่าคอฟูนพวกเขากลัวพวกเข า, ก, เขากลัวกลัวใครครับรอบบ้าโมพระผู้อภิบาลของพวกเขาอยู่ที่ไหนล่ะมีมฟาวตีเิม อยู่เหนือพวกเขามาถึงอยู่ข้างบนอยู่บนชั้นฟ้านูน้นเลยชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดอยู่อีกไปไมต้องร้งว่าที่มนุษย์สุญูดแพะแกะวัวควายต้นตนง ต, ต้นไม้สัตว์สิ่งทั้งหลายสุญูดต่ออัลลอฮ์นั้นเพราะเขากลัวถามว่ากลัวนี่ดีไหมดีกลัวใครดีที่สุดกลัวอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลัย ถ้าท่านพ่อแม่ต้องอบรมลูกแล้งานนี่ลูกเอ้ยถ้าลูกต้องการจะให้อัลลอฮ์รักลูกต้องสุญูดที่ภาษาพูดมันมีลูกต้องการจะให้อัลลอฮ์ประทานขออะไรจากอัลลอฮ์ลูกต้องขอด้วยการนามาดเวลาเรากลวัวเหมือนกันเนี่ยทุกวันเนี้เราส่วนใหญ่จะกลวัวเนี่ยกลวัวจนแล้วก็ก ล, วลัวผี แล้วก็กลัวได้บ้างนะกลัวเรื่องวัตถุทั้งหมดเลยเนี่ยไอคนที่กลัวสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่นะจะกลัวทุกอย่างหมดเลยแต่ถ้าหาว่าเขากลัวอัลลอฮ์อย่างเดียวนะทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะไม่กลัวเลยน่าไม่มีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งอ่ะใครที่กลัวอัลลอ์นะอย่างเดียวทุสิ่งทุอย่างที่อยู่ข้างล่างเนี่ยจะกลัวเขานะคนที่กลัวอัลลอ์เนี่ย ทุสิ่งทุอย่างที่เป็นวัตถุเนี่ยจะกลัวเขาคนคนนี้แล้วก็คนคนนี้จะจะไม่กลัววัตถุทั้งหมดพี่ก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวจนก็ไม่กลัวใช่ไหมพอเขากลัวอัลลอฮ์แล้วนะกลัวสิ่งที่ใหญ่ที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งอื่นเล็กหมดแต่นี่จะหาว่าคนไม่กลัวอัลลอฮ์นี่นะกลัวหมดเลยนะผีก็กลัวจนก็กลัวจะทำบุญเนี่ยโหชักหน้าชักหลังไม่กล้าบริจาคกลัวไ่หมดอะ โลกลัวไปหมดเลยไม่เคยว่างไวใจไม่เคยว่าง ว, า ว, าง ว, ว้วางใจในอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อยา่างดีเป็นต้นฉะนั้นอย่าคอฟูนารอบฟาหุมฟาวุมกีมพวกเขากลัวนะครับกลัวอัลลอฮฺเนี่ยดีไหมดีมากมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺนี่เวลานำมาแล้วต้องนึกอัลลอฮฺที่อัลลอฮฺนำ นนมานมาตะกี้นี่อัลลอฮ์รับหรือเปล่า น, นี่เขาว่ากลัวไงอเ อ, อ้ยอย่ารอที่ถ า, ากลัวไปนไงมันก็ต้องนึกโอ้ฉันจะได้นมนันให้นอน้องกว่านี้อีกฉันจะไดขออดมอัลลอ์ตก็บัลมินาสอลาตานาโอ้อัลลอ์ขอดุอาเลยใจนึกอย่อัลลอฮ์รับน้ำมานของฉันด้วยรับการอ่านกุรุอ่านของฉันด้วยที่นั่งอ่านกุรุอ่านกูตรงนี้อัลลอ์ะจะรับ การอ่านกลวอานของฉันด้วยรับการนำมาของฉันด้วยรับความดีที่ฉันทำด้วยเพราะเรากลัวอัลลอฮฺสุบฮานหูบะตาละอัลลออยู่ที่ไหนมิมฟาอูีิมอัลลออยู่เหนือพวกเขาคืออัลลอฮทรงมีอำนาจเหนือพวกเขาทั้งหมดนั่นแหละนะครับต่อมาครับวายฟารูนามายุมารูและพวกเขาปฏิบัติตาม ที่พวกเขาถูกสั่งหรือถูกบัญชานี่ไงมนุษย์และก็สัตว์ด้วยอัลลอฮ์สั่งอะไรปฏิบัติตามคำสั่งอัลลอฮ์คนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ไม่เรียกว่าเป็นผู้ที่ทรยศต่ออัลลอฮ์ سبحانه และว็ต่างาลต่อมาครับอายาที่ห1อว่กากอลลอ์กาลลอห์ ลาจตต خ ذ و ا إلهينثنين กล่าวอัละลอ์แปลว่าอะไรนะอัลลอฮ์ตรัสอลัออลลอ์กล่าวแปลภาษาบันราว็อัลลอฮ์พูดพูดว่าไงลาจะตะขีู่ท่านทั้งหลายอย่ายึดอย่ายึดอ ย, ย่ยาเอา อิลาห้นี่พระเจ้าสององค์อัลลอฮ์อัลล์สั่งเลยขอบคุณอัลลอฮ์อย่า ย, ยึดพระเจ้าสององค์อิสไนนี่อ่าพระเจ้าสองอิลาไหายนี่สององค์อิสไนนี่แกแปลว่าสองอย่า ย, ยึดพระเจ้าสององค์ยึดอลดัลลอฮ์ด้วยยึดตะโตตะเกียด้วยยึดอัลลอฮ์ด้วยยึด อะไรอะคนที่ตายด้วยเป็นพระเจ้าไปขอเนี่ยเวลามีปัญหาขออากเอาลอยแล้วเอาล้อให้ชาก็ขับรถไปที่โตเกียรไปขอเจ้าโตเกียต่ออีกอย่างนี้อลัลลอฮ์พอใจไหมไม่พอใจอลัลลอฮ์ห้ามอย่ายายาเจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเอาได้ไหมอ่นอานคุรยานิห้ามอย่ายาย่าอย่า้าาไหม คารบอัลลอฮ์แล้วกราบดวงจันท ร, ร์อีกได้ไหมไม่ได้กราบดวงอาทิตย์อีกได้ไหมไม่ได้ ไ, ไ, ดไปฮันึกอัลลอฮ์แล้วยึดโต๊ะโต๊ะอะไรแนะต่โต๊ะแน่แน่โต๊ะนุ่นโต๊ะนี่คือเอาความคิดของโต๊ะเนี่ยมาเป็นศาสนาอันนี้ก็ห้ามหมดอ่ะฉะนั้นคําว่าศาสนาต้องมาจากอัลลอฮ์ผ่านใครผ่านนาบีมูฮัมมัดอย่างเดียว อะละตัดตาคิดูอีลาไัยนิสไนอินอัลลอฮตรัสว่าจงอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์พี่น้องชาวนาซอร์เนนับถืออัลลอฮแล้วก็นับถือนบีอีสาอีกใช่ไหมใช่เมื่อวานนี้มีอัครมอมอัครอมมานาหมาบนสุก แล้วก็เล่าให้หลายๆคนฟังผมนั่งอยู่ด้วยที่ซีเรียวันนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังฆ่าประชาชนรัฐบาลเนี่ยเป็นพวกอาลวอาีอาลวีอัครอมเนี่ยคนซีเรียรู้เรื่องในซีเรียดีมากอาลวีเนี่ยอธิบายยังไงก็คือกลุ่มชนที่แยกตัวออกจากอิหร่าน กลุ่มชนที่แยกตัวออกจากอิหร่านใช่ไหมแล้วก็ไปตั้งลัฐที่ใหม่เรียกว่าอาลาวีอาลาวีอธิบายยังไงนับถือไซดีนาอาลีเป็นพระเจ้านับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถืออาลีด้วยเป็นพระเจ้านี่ไงอัลลอฮ์าสาร้งองอางนักบุญคนนี้แล้วจะตั้งให้ดูอีละให้นิสไน ท่านทั้งหลายอย่ายึดยุดทีเดียวนะพระเจ้าสององค์นะอย่ายึดมีพี่มีน้องในโลกนี้ยึดพระเจ้าสององค์มีไหมยเยอะมากในฮินดูในประเทศอินเดียพรานะน่ะเป็น ล, ล้านๆนะ่ะประมาณสามล้านองค์นะโอ่ะโลนี่อร่อยแค่สองอร่อยกว่ายาเลยแค่สองยังไม่อนุญาตแล้เป็นแสนแหละเป็นหมื่นเป็นล้านอ่ะมีไหมมี นี่อัลลอฮ์สั่งนะสั่งพวกเรามุสลิมทั้งหลายอย่ายึดพระเจ้าสององค์พออธิบายแล้วเทงายิฮูดีมีสององค์ใช่ไหมมีอัลลอฮ์ด้วยและมีนบีอีซาด้วยอาละวีที่ประเทศซีเรียนั่นสององค์เหมือนกันนับถืออัลลอฮ์นับถืออาลีเป็นพระเจ้าเวลานมารเนี่ยมาต้องนมัสการหรอกว่าอาลีพอแล้ว ว่าฟาติมาพอแล้วว่าฮัสซันพอแล้วว่าฮุเซนเนี่ยเป็นอามะซูฮับ้างอัสซัดบ้างมักริบบ้างอิชาบ้างมาต้องเนื่อยไงอพูดอย่างงี้น่ะนี่เป็นอกคดีดาคําสอนที่มาจากกลุ่มบางกลุ่มที่ไม่เอาซุนนะนะบีไปกํากับชีวิตคิดอะไรเต็มไปหมดเลยฉะนั้นคนที่หลงหลงไปบางทีก็เข้าล็อก <c oughs> ก็ไม่ไปใจขออุอาต่อรอ ก, กันต่อไปนะครับเอา้าอัลลอฮ์สั่งนะครับอย่ายึด พระเจ้านะสององค์พวกเราก็ยึดสององค์มีมาข้างมังค่วยึดยังไงหรือเปล่ายึดอัลลอฮ์ยึดอารมณ์ใช่หรือไม่ใช่อารมณ์เรานี้แหละอัลลอฮ์สั่งนะท่านทั้งหลายอย่ายึดอารมณ์ของคุณเป็นพระเจ้าอาย่ายึดอารมณ์เป็นพระเจ้ า, ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอนามาซุโบนนะนามาสุบโบนนี่แหละ ตื่นเรียบร้อยหมดแล้วตื่นตั้งแต่ตีสี่นะแปลงฟวงแปล ง, ปลงฟันเรียบร้อยพวกเขาอาษานที่มัสยิดมันนึกจะไปสุเราดีหรือนมาที่บ้านดีเออเอาไงดีจะไปสุ่เราดีจะไปสุเร า, รานมาตามใครตามสุนนะนบีท่านนามาที่บ้านตามใครตามอารมณ์อ่าอารมณ์อารมณ์มันสังนะ่งอ่ะอย่าไปเลย นี่ไงพระเจ้าอีกองคหนึ่งมาแล้วถึงอัลลอฮ์สั่งนะละตัดตาคิดูอีลาให้นี่อย่า ย, ยึดเอาพระเจ้าสององค์บางวันก็เอาอัลลอฮ์บางวันก็เอาอารมณ์ยาวใหญ่กว่าคําสั่งอัลลอฮ์นี่กับพระเจ้าเหมือนกันต้องให้ละเอียดนิดนึงนะอ้าวอัลลอฮ์สั่งเข้าใจนะและตัตาคิดูอิลาให้นิสไนนี่ท่านทั้งหลายอย่ายึดยึดคงเดียวนะทีเดียวกันเนี่ยพระเจ้าสององค์นะครับ อินนามะหัวอิลาหูอะฮิดแท้จริงพระองค์คือพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียวว่าเฮต์อัลลอฮ์นีพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียวนี่อัลลอฮ์เล่าเองพระเจ้าองค์เดียวแต่นั้นอย่านับถือพระเจ้าหลายองค์ ถามว่าอลัลลอฮ์บริหารโลกใบนี้เนี่ยอลัลลอฮ์ปึกมีรัฐมนตรีไหมมีไหมมีที่ปรึกษาแบบแบบรัฐบาลไหมมีคณะองค์รมนตรีด้วยมีอะไรอีกนะรัฐมนตรีที่ปรึกษาอีกประมาณสามสิบกว่ากระทรวง อ, ะอ่ะอัลลอฮ์องเดียวบริหารสามสิบกระทรวงเลยโลกใบนี้ทุกชนิดไอ้กระทรวงนี่รักษาอลัลลอฮ์ไม่เท่าไรเลย อลัลลอฮ์ดูแลแม้แต่คนตาอยู่ในกูโบอลัลลอฮ์ก็ดูแลด้วยเหมือนกันนอนอยู่ในใต้ดินอลัลลอฮ์ก็ดูแลเฉะนั้นอัลลอฮ์องเดียวนะครับอลัลลอฮ์ไม่มีที่พึ่งอลัลลอฮ์ไม่มีที่ปรึกษาอลัลลอฮ์ไม่มีลูกบางคนว่าอลัลลอฮ์น่ยบริหารโลกบางที่มันเหงาอ่ะต้องให้อลัลลอฮ์มีเมียอกีกไอเราต่าหาเวลา ไปข้างนอกกลับมาบ้านเหงาก็ต้องหาเมียเมียปรึกษาหน่อยลูกหน่อยมันแก้เหงาได้นึกว่าอ oh oh ัลลอ์เหมือนมนุษย์เลยอัลลอฮ์ว่าแคนั้นอย่าเป็นนึกแบบนั้นนึกแบบเราเรานะ่าไม่ได้ท่านคนที่อ่านกุรานจะไม่นึกโอ้อัลลอฮอลามีองค์เดียวนะรับผิดชอบแต่เพียงผู่เดียวไม่มีองค์มนตรีที่ปรึกษาไม่มี สอสอไม่มีส ว, ไ ม, มสวไม่มีอะไรทั้งสิ้นอยู่ดับบิลอัมรุอัลลอฮ์บริหารกิจการแต่เพียงผู้เดียวในโลกใบนี้นะนี่คุยเรื่องสิฟัต์อัลลอฮ์ฟาอิยายาฟารฮาบูนดังนั้นเฉพาะฉันอิยายาเนี่ยแปลว่าเฉพาะฉันเท่านั้นนะฟารฮาบูนที่สู่เจ้าต้องเกงรงกลัว ฟาดฮับเนี่ยประวติจงเตรกีกลัวกลัวอัลลอฮ์องเดียวไม่ใช่ไปกลัวได้นะกลัวผีกลัวชายตอนกลัวยินกลัวจเจวิตอัลลอฮฺอักบัดนี่อย่าลืมนะไอช้ชายตอนยินเนี่ยมันอยู่กับคนมานานอยู่กับโต๊ะเราแล้วเรามาอยู่กับมะเราเรามาอยู่กับย่อเราแล้วมาอยู่กับเราอีกมันผ่านมา ก, กี่คนแล้วละ่ะ ท่านจะทําเสียงเรียนมะเสียงมะเราได้ไหมได้ยินนี่แหละมันจะเรียนเสียงตัยอเราได้ไหมได้เพราะมันอยู่กันมาแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่ายินอโลเลยกลัวยินน่ะ <c oughs> ก็เลยเอาอะไรนะ่ะเอาอาหารเราวางไว้ข้างนอกยินอย่ามายุ่งกับฉันเลยกินอาหารข้างนอกใครสั่งน่ะน บ, บีสั่งอย่างงี้เวลากินกินอาหารอย่าเป็นกระดูกไก่ กระดูกระได้นะวัวกระดูปลาอะไรก็ตามเนี่ยนะเวลากินแล้วเนี่ยอย่าใส่ถุงแล้วก็ปิดปากอย่าใส่ถุงแล้วปิดปากเพราะว่ายินมันกินไม่ได้ฉะนั้นถ้าโยนไปอย่างเงี้ยหรือใส่ถังไว้เงี้ยนะยินมันหยิบมากินได้พราะหยิบมาเนื้อมันเต็มเท่าเทเก่านี่เอาล้อให้อะฉะนั้นกระดู ก, ะกระดูกทกทุกชนิดนี่นะเป็นอาหารของยิน เราต้องนึกถึงยินด้วยนะและกินอาหารเนี่ยโอ้โหบางคนไม่ให้ไม่ให้ยินกินเลยยินก็ไม่ให้กินอาใส่ถุงปิดปากยินเปิดไม่เป็นมนไม่ฉลาดนะเรามันจบเป็นยาตีเปิดเปิดถุงเป็นไว้เป็นเอาลอกแกะถุงเป็นไว้เป็นเอาหนังรายิาีดใช้มาจะเปิดเป็นนั่นเรายินไม่เหมือนเราหรอกท่านนาบดุลบสั่งบอกว่าอย่าเอากระดูกเนี่ยมาเช็ดกน พ่อเป็นอาหารของยินบางคนไม่รู้เอากระดูกมาเช็ดก้นกระดูกที่อยู่กลางทุ่งกลางนานั่นแหละอั่ังนี้ไปตดแต่นันต้องให้เกียติกับยินด้วยนะทีะนี้เราดันดันไปกลัวยินใช่ไหมพอเรากลัวยินทำไงให้ขอความคุ้มครองจากอลัลลอ์น่นอย่าอลัลลอ์เช่นตอนเย็นๆอ่านดุอาบบทนี้ อาอุบุคัลิมาติละฮิตามาติมินชัริมะขลักอาอุบุคัลิมาติละฮิตามาติมินชัริมะขลักฉันขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากด้วยพจนาาที่สมบูรณ์นะจากความชั่วที่อัลลอฮฺสร้างมาต้องขอยินนี่แหละใช้ตอนนี่แหละมันมีอยู่ทั่วไปหมด อย่าลืมนะเข้าห้องน้ําอย่าลืมต้องอ่านดวงนะบางคนนะไอ้นั่นนะฉีที่ฉีนั้นพองอะ่ะใหญ่ขึ้นมานะ่ะเพราะไม่ได้อ่านดวงอนะ่ะนึกว่าฉันไม่ได้อ่านมันอสิปีแล้วขออีสิปีได้ไหมที่เอา ล, ล่อไม่ลงโทษทันทีทันใดเลยนะให้ไอีจูมันพองขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะใหญ่นะั่นน่ะนึกบ้างหรือเปล่าว่าเพราะอะไรก็เพราะไม่ได้อ่านดุอาตอนเข้าห้องน้ำท่านต้องอ่านดอานะครับ มีเรื่องเล่าเรื่องจริงที่เดียวบันผมอยู่เดียวบันมาเนี่ยปี้นึขงข้างๆเดลีเขาสอนฮะดีสกันตอนดึกๆเนี่ยประมาณเที่ยงคืนสอนฮะดีสบุคอลีเราก็ไปนั่งฟังด้วยอะไรด้วยมีอยู่คนหนึ่งวันนั้นปีสีแล้วมันตื่นมากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เลยเดินเดินไปฉีไปฉีที่พุ่มไม้ ไม่ได้เข้าห้องน้ําำแล้วก็มันมีเสียงออกมาเป็นภาษาอรดูอีฮาปีชาบมัดกโรุอีฮ่าปีชาบมัดการุยาชีตรงนี้อีฮาปีชาร์ฟมัดกโรภาษาเพราะนะปีชาบ์ฟว่ชียีฮ่าปีชารมัดการุยาชีตรงนี้ไอ้คนนี้ว่ามันจะแน่ขนาดไหนวะเราไปเดี๋ยอ่านดูอาร์ด้วยนะดูอาร์ว่าไงนะอาร์อูอินอะไร อัลลอฮุมอีนีเอาจุบิกะวินาลขบุสีวัลขบะอิสมานียนะนึกว่าต้องเข้าส่วมอย่างเดียวให้อา่านจะชีตรงไหนก็ตามจะเข้าของน้ำหรือไม่เข้าของน้ำก็ต้องขออนุญาตอัลลอ์ก่อนดูแลด้วยพอชีไปได้ที่ครึ่งเนืองถูกลากเข้าไปในสวนอ้อยหายไปเลยูย่กระทั้งเจ็ดโมงเช้าเนี่ยเดินกลับมาเนี่ยเลือดเต็มหมดเลยเนี่ย ถูกอะไรนะอ้อยมันบาดบาดบาดบาดบาดตามไปอยู่นี่นมาไม่รู้ว่าใครลากใครไปในสวนอ้อยอ่ะมึนไปหมดเลยก็บอกเนี่ยมันก็เล่าให้ฟังบอกเนี่ยสาเหตุก็เพราะยังไม่ทันไปชีเลยไม่ได้อ่านดูอาัลลอฮุมะอินนีอัลฮุบิคามินะลขุบุสีวลกบะอิสนี่นะ่ะมรรคลูกของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างมานะครับ ถ้าเราไม่ขอความคุ้มครองจากอัลละอัลลฮ์เล่นงานนานๆเล่นงานสักทีนึงให้ผู้คนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาซุนนะนบีไปกำกับชีวิตจะต้องถูกเล่นงานแบบนี้นะเอาต่อมาครับตัลงว่าเรานี่จะต้องพึ่งอัลลอฮ์องเดียวนะนึกถึงอัลลอฮ์ดอาบทนี้ละอีละอิลลอฮูวาเดหุละชาริกละละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดุ ว่าจะกุ้นชัยองก็ดีว่าเยอะๆวันละร้อยครั้งเช้าร้อยหนึ่งเย็นร้อยหนึ่งกลางคืนก็นอีร้อยหนึ่งว่าจะให้ปากเราหน้าชุ่มด้วย ก, การจำลึกถึงอัลลอสุบฮานา ห, าะหุววะตาแล้วต่อมาครับในอญญายะอื่นอธิบายอย่างนี้นะถ้าหากถ้าหากมีพระเจ้าสององค์เป็นยังไง ลรากานัฟีฮิมาอาลิฮะตุนอิลลอหลล่ า, ลาฟาสาดาตาอัลลอฮอธิบายเลยถ้าโลกนี้มีพระเจ้าสององค์นะเสียหายวุ่นวายอีกคนให้ฝนตกอีกโอนไวใยักยายาเราทำไงเนี่ยต้องการจะบอกมนุษย์เหมือนกันนะประเทศหนึ่งเลยมีผู้นำสองคนได้ไหมไม่ได้เอาบ้านหนึ่งนะ่ะ ใหญ่ทั้งสองคนเลยนะเลาไม่มีใครยายเลยเท่ากันระหว่างพ่อกับแม่สนุกไหมไม่สนุกเลยแค่ท่านลอสั่งให้อ้าพ่อใหญ่บางคนกับแม่ใหญอยู่ในบ้านนี่นแหละแม่ยหญ่ให่กับพ่อเอกอยู่ในบ้านก็ไม่ไปได้ก็ให้ใหญ่สักคนหนึ่งก่อแล้วกันในโรงเรียนก็มีคนเดียวเป็นครูใหญ่เป็นซิเปิลเป็นเจ้าของโรงเรียน มันต้องสามารถมีเจ้าของคนเดียวถ้ามีสองคนมีปัญหาลาฟาสาดาตาเป็นการบอกมนุษย์ให้รู้นะครับการปกครองของอัลล อ, อ์ น, นั้นอัลล อ, อ์ปกครองแต่เพียงผู้เดียวรู้ปล่าคนที่นับถือพระเจ้าหลายองค์นะกลุ่มไหนกลุ่มไหนกลุ่มไหนมุชริก คนที่นับถือไม่เอาเอาลัลลอฮ์องเดียวคนมุชริกเนี่ยนับถือพระเจ้าเป็นร้อยอย่างอินเดียอะไรนะพวกพราหมณ์เป็นล้านดีไหมไม่ดีผิดเป็นอะกิดาที่ผิดถ้าคนที่เชื่ออลัลลอ์มีองค์เดียนลองตายอยู่สิสบายมากเลยนะครับเอาต่อไปอายาที่ห้าสบ و ะ له うまในส ماوات และอ ر รด له الدين واصبا أ, أ َ ف ََ ي ْ ر اللَّهِ َ ت, ت َُ و ن َ أ َ ف ََ ي ْ ر اللَّهِ ت َ ت َُ و ن َอธิบายอย่างนี้วะ له うまในส ماوات ของพระองค์เป็นของอัลลอฮ์อัลลอ์เป็นเจ้าของเลยอะไรบ้างมาฟิสมาวาที่อยู่ในชั้นฟ้าเป็นของอัลลอ์วัลอาร์เและที่อยู่ในแผ่นดินอัลลอ์เป็นเจ้าของอัลลอฮอัลกบรรอัลฮัมดุลิลแล ว่าละฮุดดีนัวซิบาและการพักดีอัล ด, ดีนทีเนี้ยแปลว่าการพักดีศาสนาอย่างนี้นะ่ะการที่อัลลวฮันเป็นเจ้าของทั้งหมดนั้นความคิดแบบนี้ศาสนาแบบนี้ว่าซิบามนุษย์จำต้องมีต่อพระองค์เป็นนิต มาถึงให้ทาเป็นประจำให้เรายอมรับอัลลอฮ์ทำความดีเป็นประจำวาซิบานี่แปลว่ า, าอีมันอิบนบบาบัสนี่คนสหฮาบะในสมัยนนมีอธิบายคำว่าวาซิบาแปลว่าวาจิบันจำเป็นคือเมื่ออัลลอ์เป็นเจ้าของโลกใบนี้แม้แต่ตัวเราอัลลอ์ก็เป็นเจ้าของ สรรพสิ่งอัลลอ์เป็นเจ้าของชั้นฟ้าอัลลอ์เป็นเจ้าของแผ่นดินอัลลอ์เป็นเจ้าของฉะนั้นเราเนี่ยต้องยึดศาสนาของอัลลอ์อธิบายง่ายๆก็คือศาสนาของอัลลอ์ที่อัลลอ์เลือกให้คืออิสลามนะครับอิสลามแปลว่าอะไรนะยอมจำนนตนต่ออัลลอ์โดยสิ้นเชิง ม, มีเชิงได้ไหม ยอมจำนนต่ออัลลอ์โดยมีเชิงเนี่ยได้นี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสิ้นเชิงเลยยอมจำนนทั้งหมดเลยตรงนี้ตองการจะอธิบายว่ายอมจำนนทั้งหมดวะละหุ ด, ดีนูวาซิบาและการพักดีจำต้องมีต่อพระองค์จำเป็นต้องมีกับพระองค์ถ้าไปมอบการพักดีให้กับสิ่งอื่นผิดไหมผิดอย่างแรง ดังต้องอบรมคนในครอบครัวเรานะต้องมอบหมายตนต่ออัลลอ์ผมพบกับปาเลสไตน์มามาที่เนี่ยมาที่ฮ่องกตเนี่ยผมถามว่ามาเมืองไทยมาอยู่กี่วันมาอยู่สามเดือนก็บอกว่าผมถามว่าล้วครอบครัวใครดูแล เขาบอกคนนี้รู้ไหมฉั น, นยอยู่กับภรรยาม า, าตลอดเลยเวลาอาหารหมดเขากว่าเธอเธอเอไปซื้อของตลาดไปฉันก็ขับรถไปเวลาอะไรหมดก็ตามแต่พี่พี่พี่ไปลูกสบายพี่พี่พี่ขับรถไปหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างนะฉันช่วยหมดเลยเนะี่ยวันนี้ฉันออกจากบ้านมาประมาณสองเดือนสามสี่เดือน ตอนนี้ฉันมาอยู่บ้านแล้วรู้ไหมภรายาพึ่งใครเมื่อก่อนก็พึ่งฉันตอนนี้พึ่งใครพรึ่งอัลลอฮ์สุบานอหัวตาละก็ว่าเนี่ยสอนวิธีรัดให้ภรยาเนี่ยได้วางไว้วังไว้าวางใจในอัลลอฮ์ด้วยตอนฉันอยู่กับอยู่กับบ้านเนี่ยไม่เคยไปไหนเลยเนี่ยนะพึ่งฉันคนเดียวนึกว่าฉันเป็นตุหันนึกว่าฉันเป็นอัลลอฮ์พึ่งหมดฉันก็ทําทุกอย่างให้ภรยาหมดเลย แต่วันนี้ฉันออกจากบ้านและมาทำงานศาสนาเพื่อใครบางทีก็เรียกลูกกว่าจะมาเนะ่ยเพราะลูกไม่รู้ใจอ่ะอามมาามะนอยกว่าจะมาครึ่งชั่วโมงบางทีก็ตรงครึ่งอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะตาอลาไม่ได้ได้ยังใจก็ต้องมอบไปกับอัลลอฮฺสุบฮานาหฺวะตาลเป็นคำพูดที่ดีเตือนใจเรานะจะนั้นมอบความไว้วางใจไว้กับอัลลอทั้งหมดนะนะ ต่อมาครับอายาที่53 <S <S 1> <S 1> อัอละลอฮอัลอตัตระกูลสู่เจ้ายังยังยำเกรงผู้อื่นนอกจากอัลลอ์อีกหรืออ้อนี่เป็นคำถามนอกจากอัลลอ์เนี่ยพวกคุณยังยังกลัวนอกจากอัลลอ์อีกหรือขนาดให้ทุกสิ่งทุกอย่างบนชันฟ้าแผ่นดินมาจากอัลลอ์ทั้งหมดเนี่ยยังมีใจให้คนอื่นอีกหรือ ยังไม่มีใจให้กับอัลลอฮ์อีกหรือโอ้สอนดีไหมดีครับสอนให้คิดอายาที่ห3บสาว่ามาบิคุมมินเนามัติลอธิบายไหมครับเนาะมัดแปลว่าอะไรนะความโปรดปรานความโปรดปรานมาบิคุมอันใดที่มีอยู่ที่สู่เจ้า อันใดที่เป็นเนื้อหมัตที่อยู่กับท่านที่อยู่ที่บ้านท่านที่อยู่ใต้การครอบครองขอ ง, ของท่านที่อัลลอฮ์ให้ท่านครอบครองอยู่เนื้อหมัดทั้งหลายมาจากไหนฟ้ามีอัลลอฮจงรู้ไวเ้เถิดมันมาจากอัลลอฮ์เห็นยังไม่เอาอิสลามน่ะถูกอ่ะไม่เอาอัลลอฮ์น่ะถูกเลย อัลลอฮ์บอกว่าเนี่ยอามัดที่คุณครอบครองอยู่ทั้งหมดนั้นใครให้อัลลอฮ์ให้อ่ามินันลอแปลว่ามาจากอัลลอฮ์ทั้งหมดเอา้าเนี่ยอามัดมีอะไรบ้างบ้านที่คุณอยู่เนี่ยหลังนึงอะ่ะราคาสองล้านหรือล้านห้าเนี่ยใครให้อัลลอฮ์ให้ภรรยานะ่ยวันที่จะไปเอามาเนี่ยมี ก, า, การกันใช่ว่าล่ะพาเจะามงเจ้าเบาไปขอกันวันนั้นอะ่ะใครให้อัลลอฮ์ให้ ลูกๆอ่ะใครให้คุณทําเองนะอัลลอฮฺให้เครื่องใช้เฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในบ้านเขาเรียกว่าอาซาสนะเนี่ย อ, อะไรอ่ะตรงตู้แล้วก็อะไรๆของใช้ที่อยู่ในบ้านเต็มไปหมดน่ะใครให้อ่ะอัลลอฮฺให้แล้วก็รถที่คุณขับอยู่นะ่ะใครให้แล้วก็ที่ดินที่คุณคร้องอยู่นะ่ะ ชื่อของคุณนะโมที่ก็ชื่อกับภรรยาด้วยชื่อลูกด้วยนะใครให้อะอลัลลอฮฺแล้วคุณมีอาชีพอ่ะมีรายได้มีอินคัมอ่ะรายเดือนบางรายปีบา้างใครให้คุณ อ, ะอ่ะอัลลอฮฺให้แล้วตําแหน่งอ่ะเป็นนูนเป็นนี่เป็นกรรมการสุราบ้างเป็นคอเต้บ้างเป็นบิหลานบ้างเป็นครูใหญ่บ้างเป็นอะไรจะได้ตําแหน่งต่างๆเนี่ยใครให้คุณใครเลือกให้คุณใครมอบให้คุณอลัลลอฮฺทั้งหมดเลย แล้วก็รายได้ที่คุณได้รับรายวันบ้างรายปีบ้างและแพะที่คุณเลี้ยงอยู่นะ่ะของใครอะ่ะแล้วก็สุขภาพคุณนะ่ะดีวันนี้นะ่ะไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะใครอ่ะใครใครอัลลอฮฺบัลลอฮฺทานึกตรงนี้นะอ่านคุณอ่านอัยยา น, นี้นึกตรงนี้ต้องกล่าวว่าไงอัลฮัมดุลีลาอย่างอื่นไม่มีครับไม่มีภาษาอื่นต้องขอบคุณอัลลอฮฺต้องกล่าวว่าไงอัลฮะมดุลีลา นั่นเนี่ยมัดที่อัลลอ์ให้กับคุณที่อยู่ที่บ้านคุณที่คุณครองอยู่นั่นไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนเลยที่รัฐบาลกำหนดให้คนแก่อายุหกสิบได้หกร้อยหรือห้าร้อยเนี่ย8ปดสิบได้แปดร้อยเก้าสิบได้เก้าร้อยเนี่ยมาจากอัลลอ์ทั้งหมดคุณเป็นคนอนุมัติ พ่อก็ให้แผ่นดินเนี่ยคุณดูแลอยู่เนี่ยถ้าดูแลดีอัลลอฮ์ให้รางวัลคนคนที่ปกครองนั่ะถ้าพบว่ปกครองไม่ดีอัลลอฮ์ก็เล่นงานแบบฟาโร่ฉะนั้นทั้งหมดนั้นมาจากอาลัลลอฮ์หมดเลยฉะนั้นต้องสุญญุ ต, ต่ออัลลอฮ์ไหมโอ้ได้ยินเสียงอาญาต้องรีบมามัสยิดแล้วขอบคุณอลัลลอฮ์เราดีกว่าคนอื่นต่างเยอะเลยลูกเราไม่เคยติดยาสักคนหนึ่งอ่ะต้องรอขอบคุณอลัลลอฮ์ตรงนี้ด้วย الحمد ل ل ม جناب وما ب ิน وما بكم ิ كم, من الله, من ن الله م น ن ع م ا ت ม فمن الله ไม่ต้องจำอาย่านี้นะเขียนแปะไว้ข้างฝาด้วยก็ดีเหมือนกันไม่ต้องเขียนแล้วมือไม่สวยก็่ายทายทายให้มันใหญ่หน่อยเอาคาแปลเขียนด้วยได้ไหมแปะไว้ที่ข้างฝา ความโปรดปรานอันใดที่มีอยู่ที่สูเจ้าดังนั้นมันมาจากอัลลอฮ์ทั้โหมดอัลลอฮอักบัรต่อมาครับซุมมาอิดามะซะกูมุดุรอับดุรูแปลว่าความทุกข์ความทุกข์ความเดือดร้อนความลำบากเมื่อความทุกข์ร้ายใดๆ อีดาเมื่อมัสสะกุมมาประสบแก่สูเจ้าทำไงครับฝ่ายจะรออนสูเจ้าร้องทุกข์ขอความช่วยเหลือจากใครจากอัลลอฮ์ใช่หรือไม่ใช่ออตอนให้นะ่ะลืมอัลลอฮ์ตอนอัลลอฮ์ใ ห, นใ ห, นให้นู่นให้นี่ให้นี่ให้นั่น ให้ร่างกายแข็งแรงไม่ป่วยแค่นั้นแหละพี่น้องคือลืมอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้เงินเยอะเยะลืมอัลลอฮ์ลืมอะไ ร, ล, ร, ล, รลืมจ่ายอากาศอาัลลอฮ์ให้ร่างกายแข็งแรงนะ่ะพี่น้องไม่เคยสูย้อยู่ต่ออัลลอฮ์เลยไม่เคยมามาสัสยิดเลยแข็งแรงอ่ะดันเอาความแข็งแรงน่ะไปทําอย่างอื่นหมดเลย ไม่ให้ความแข็งแรงนั้นมาสุดอยู่ต่ออัลลอฮ์เลยที่ที่ไหนที่บ้านของอลัลลอฮ์มาเหมือนกันนะมาวันศุกร์มานั่งที่ไหนนั่งหน้าสุเหรา่ามานั่งหน้ามัสยิดจะขึ้นเหมือนกันขึ้นที่หลังสุดตอนที่อีกอมัตเนะ่ะมาเยือนอยู่ข้างหลังสุดเลยเพื่องพ่อให้สลามเสร็จออกก่อนเพื่อนนะ่ะนั่นนักเรียนขอบคุณอลัลลอฮ์นะ อย่างนี้ไม่เรียกว่าความคุ้อัลลอฮ์ทำด้วยความฝืนใจเหมือนใครเหมือนคนมูนาฟิกอ่านี่อั น, นตรายน่ะอัลลอฮ์พูดแล้วน่ยมีคนอยู่สองประเภทหนึรับอิสลามด้วยความเต็มใจกับรับอิสลามด้วยความฝืนใจรับอัลลอฮเหมือนกันแต่นานๆมาทีฝืนใจ города. มึงมากูมากูอยู่ไม่ได้เลยขอไปด้วยไว้แต่นั่งข้างหลังก็ไม่มีปัญหาขอให้มาก่อนแล้วกันฝึกไปก่อนไปนอก อซุม ม, ะ, ม, มะอิลมัสละกุมุดดุรฟาอิลฮิตาจรออูและเมื่อความทุกข์ความลำบากมาหาอัลลอมาหาท่านเนี่ยใครส่งมาต้องนึกนะพวกเรานี่แปลกเวลาทุกข์มาลรโทษบาร น, นี้แหละไอ้บา น, นี้บาร น, นี้อตะบันแสบดูสิมันส่งใครจะกใครมาทั้งหมดมาจากอัลลอฮฺท้งนั้น เจ็บไข้ได้ป่วยมาจากอัลลอ์พี่น้องยังไม่ผ่าตัดไม่รู้หรอกผมน่สามเส้นบายพาสมาแล้วอัลลอฮอักบัสทำได้เลยแล้วขอบคุณอัลลอันคนแค่ป่วยแค่ปวดหัวปวดท้องไปหาหมอไม่เท่าไรแค่จิกจ้อยเล็กธรรมดามันต้องผ่าตัดจริงๆแตตอนเข็นเข้าห้องห้องนอหนาห้องผ่าตัดอัลลอฮ์ใจถ้าไม่อยู่กับอัลลอฮ์จะช็อก ตัวเองก็ต้องถูกพานี่มันนึกยังไงอพี่น้องมันรออักขระแต่ดีนะใหวางยาสลบไม่ได้ยินไม่รู้เรื่องตื่นก็ว่าทำไปแล้วยังมีชีวิตอยู่ขอบคุณอัลลอฮ์นมาด ต, ต้องนามาดแ ต, ตยามมุมนอนนามาดลายะทิ้ง น, นมาดอา้าวทำบุญละกับฐานะวันแรกในชีวิตนะครับเหลืออย่างเดียวตายนะครับรอตายอา้าววัะสุดท้ายนะครับพี่น้องทีนี้ กบุพูดอย่างนี้นะบุญละรถทดสอบคนนะ่ะที่ร่างกายทดสอบให้ป่วยมีไหมมีทดสอบให้น้ําตามมีไหมมีเดินชนรถสมัยก่อนมีไหมมีสมัยนี้รถชนกันมีไหมมีน่นทดสอบด้านร่างกายด้านทรัพย์สินให้เจ็บให้ป่วยแล้วก็ทํางานเหนื่อยนนะ่ะมีไหมนี่ก็ค่นทดสอบจอากอัลลอฮฺวิ่งควดแพะเนี่ยว่จาจะตายอยู่แล้ววิ่งขวดขวดพวกเรามีคนที่อยู่ที่ไหนนะี่ย ญาติอาจารย์ยศอาปาเหลงที่อยู่จังหวัดอะไรนะขับรถจะชนแพ้ใช่ไหมอ่าแล้วเสียชีวิตไปนี่กระานทุกทั้งหมดทั้งหมดแต่อย่าลืมนะการเจ็บไข้ได้ป่วยค่อยๆเจ็บแล้วตายนะ่ะกับตายโดยกระฐานหาันอันไหนดีกว่ากันตายแบบผ่อนสงดีกว่าใช่ไหมเนี่ยเจ็บทีแลนอนแลนอนแ ล, นแลตายดีจะได้สำนึก ตัวจะได้ตาบาตัวยังป่วยมาหดเดือนเนี่ยหมอว่าหเดือนนะ่จะต้องตายในช่วงหเดือนเนี่ยตบาตัวซะอ่านคุรานซะมาลมาที่มัสยิดซะแตนมาไห ว, ไหวมันไม่สบายแล้วเนะี่ยทำไงอ่ะอ่างป่ย่ังดีไปน้องได้ตาบาตัวต่อรอแคะนั้นตายผ่อนผอนค่อยๆตายทีลน้อย เงินหมดเท่าไน้อยดีนะเป็นการสํานึกและขอบคุณเอาล็อต่อมาตัวแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เราขาดตกบกพร่องไปอะยะสุดท้ายนะครับโอลโอลซุมมาอิรากาชาฟ่าบุรอังกุมและเมื่อพระองค์ทรงปลดเปลื้องกาชาฟ่าแปลว่าปลดเปลื้องเมื่อพระองค์ทรงปลดเปลื้อง อดรความทุกข์ร้ายอังกลุมออกจากสูเจ้าอีตอนลําบากน่ะคิดถึงใครคิดถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋าช่วยหนอยาอัลลอฮ์ช่วยหนอแย่แล้วจะตายแล้วลูกติดยาเสพติดอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จ๋าช่วยนี่บรรจงก็ขายอะไรน่ะขายยาสองพันห้าชุดละพอลูกหายดี เอายามากินมันจะเป็นอาเจียนนะอาเจียนโอ๊ะอประมาณห้าวันหกวันเราหายเลยใช่ไัมยยกย ก, ยกตัวอย่างครอบครัวที่ลูกติดยาเสพติดทุกใช่ไหมทุกเอาละติดมาตั้งส0บปีแล้วแต่ตอนนี้มียาบำบัดเสียสองพันห้ากินยาเนี่ยห้าวันเนี่ยไปไหนไม่ได้แมันจะอาเจียนอาเจียนอาเจียนมันจะเลิกเลยพอเลิกแล้วเมื่อเวลาอัลลอ ทรงปลดเปลื้องความทุกข์ร้ายออกจากสูเจ้าอาญานี้นะอีดาฟาริคุมมิงคุมบิรบบิมยุชริกุนเมื่อนั้นส่วนหนึ่งของสูเจ้าตั้งภาคีเทียบเทียมต่อพระผู้อภิบาลของเขาพอลูกหายดีแทนที่จะไปมัสยิตพร้อมๆกัน แทนที่จะเข้าหาอัลลอ์เรียนศาสนาเพิ่มขึ้นใช่ไหมเข้าหาอัลลอ์เข้าหาศาสนาไม่เอาทำบาปต่ออีกลูกเราเลิกยาเสพติดแล้วเอาละไปน้องทำงานต่อยังเดียวไม่คิดถึงอัลลอฮ์อซูลไม่เรียนศาสนาไม่เข้ามัสยิดไม่นามาดนี่อัลลอฮ์ดาอยู่นะเวลาอัลลอฮ์ขจัดความทุกข์ ความลำบากออกไปจากสูเจ้าสูเจ้าเองนะตั้งพาคีต่ออัลลอพระยศต่ออัลลอฮฺทำชีริกต่ออัลลอนับถือพระเจ้าหลายองค์บางคนเข้าใจว่าลูกหาจากยาเสพติดนี่ไม่ใช่อัลลอช่วยนะอ่าฉันเคยไปหาตัวตะเกียบมาแล้วตัวตะเกียช่วยนี่งาชีริกต่ออัลลอฮ์ไหมชีริกอย่างแรงเลยแค่นั้น ต้องนึกถึงใครอัลลอฮสุบฮานฮวะต่างละนะครับต่อมาครับอายะสุดท้ายลียักฟูรูบิมาอาตยนาฮุมเพื่อจะทำให้ผู้ปฏิเสธเนี่ยมัดของทั้งของอัลลอฮที่เราประทานให้แก่พวกเขาเพื่ออะไรเพื่อให้พวกเขาปฏิเสธนี่ไง ได้รับของดีจากอัลลอ์ให้ลูกหายจากยาเสพติดแทนที่จะขับคุณอัลลอ์กับปฏิเสธอัลลอ์ดื้อดึงกับอัลลอ์ทรยศต่ออ ah, ัลลอ์แทนที่จะสุอยู่ต่ออัลลอ์ไม่และเป็นไงครับอัลลอ์ว่างไงนะลียักฟูรูบิมาอาไตนาหุมเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ปฏิเสธเพิ่มความปฏิเสธให้กับพวกเขาเขาปฏิเสธเองนะ ไม่เข้าหาอัลลอฮ์เองนะ่ะเป็นไงสิ่งที่เราได้ประทานให้กับพวกเขาเราให้พวกเขาเนี่ยนะปลอดภัยแล้วจากความลําบากวุ่นวายให้แล้วแต่ไม่ขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อก่อนเนะี่ยมียดือดื้อดื้ดืด่ดดาสามีอยู่เรื่อยอา้าวเมียไปเรียนศาสนามาเข้าใจศาสนาเมียเลิกด่าสามีดีขึ้นแต่สามีไม่ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับอา้าวหลานๆเหมือนกัน รักรักของในบ้านโอ้ปวดหัวจะแจ้งตำรวจกลัวจะจับหลานเอาละส่งหลานไปเรียนหนังสือพอหลานกลับมาดีแทนที่จะขอบคุณอัลลอ์ไม่พาลูกพาหลานเข้าหาอัลลอฮ์กับทรยศต่อ a, อัลลออกคนส่งนั่นแหละไม่เอา a, อัลลอฮ์เองพี่น้องอัลลอ์กล่าวว่า ง, งอายอายต่อไปฝ่า ต, ามตัมัจะเอาจงหาความสุขไปเถอะ เพราะเขาคิดว่าถ้าอยู่กับอัลลอฮ์แล้วมันอึดอัดไม่อัลอลอด์ดีกว่าอยู่แบบเราๆนั่นหละพี่น้องอะไรบ้างอะ่ะวชาวๆก็นั่งสดกาแฟที่ไหนหน้าบ้านเสื้อมาต้องใส่นะเพราะหน้านหน้าบ้านเราเองอ่ะมาต้องใส่เสือ้อใครสอนนั่งหน้าบ้านตัวเองไม่ใส่เสือ้อไหนวะซุนน่าอับีลเบีนั่งทอเสื้ออยู่นั่นแหละสดน้ำพืดพืด กินปลาตุงโกแล้วก็อะไรนะโจกใส่ไข่ไข่ของใครไข่ของอัลลอ์โจกกับของอัลลอฮ์ถ้วยกับของอัลลอ์กาแฟของอัลลอ์ทั้งหมดนะั้นทรยศต่ออัลลอ์กินกินได้ไงนะส่ซูรมาจาดามานะนี่ทัดาชายปัญญานหนึ่งนะฉันนี้เลวสุดๆเลยนะแพะแกอัวควายมุดอย่ต่ออัลลอ์ อัลลอฮ์เงาสุยูต่อเราหรือเงาเราเองสุยูต่ต่อเลาแต่ตัวเงาไม่สุดยูบมันน่าน่าอะไรดีก่อนหน้าขอทอาทต่อเาให้เปลี่ยนแปลงอ้าวต่อมาครับฝ่าธรตมะดาอัลลอฮ์จงหาความสุขใส่ตัวไปเถอะคนไม่เอาวัลลอฮ์อายุแปดสิบปีจะกินวัวสักกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวสิบตัวได้ไหมอัลลอฮ์วัว ส, สิบตัวน่ะ คังอลัลลอ์หมดออ้าวข่าวสารร้อยก็สอบอนะคังอลัลลอ์หมดไหมละ่ะอวะพไม่ได้ยุบตรงไหนเลยอลัลลอฮฺฟาตามัตเตาเชิญหาความสุขสำราญทอรยศต่อลรอไปเถอะฟาซาวฟาตาลมูนในไม่ช้าคุณจะรู้รู้ตอนไหนอะตอนตาย อัลลอฮ์ตอนลีโกอัลลอฮ์ตอนพบกับอัลลอฮ์เนี่ยไม่น่าเลยเราก็อยู่บ้านอยู่ในที่วากาฟแต่ไม่ได้รู้จักอัลลอฮ์เลยอยู่ในที่สุราห์เนี่ย Allah, อัลลอฮ์อิหม่าน ก, กว่าเดินผ่านหน้าบ้านวันหสองรอบเราไม่เคยคิดถึงสุราห์เลยเนี่ยกุญเงานก็วางอยู่ไม่เคยจับเปิดเลยทีเอ็มทีวีเนี่ยเปิดได้ไม่ได้ดันไม่เปิดไปเปิดละครโออ็กบัส ไปเสริมนึกตัวตอนไหนตอนนอนอยู่ไหนสุสาน ร, รวมไปถึงนักเรียนอยู่สูบุรีอยู่เลิกได้แล้วลองเอาเงาเอ า, เอาบุหรี่ไปวางไว้ตอนเย็นๆเ ง, นนะงาบุหรี่มีไหมแสงเงาบุหรี่มีเงาสุดยู่ต่อรอดตัวบุหรี่มันจะสูดนะท่า น, นคนก็เหมือนกันไปยืนดูเงาบ้างอ๋อหลงเงาชันนี่สูดยู่แต่ตัวเราไม่สูดยูดไม่เชื่อฟังคําสัง่งอัลลอฮฺทรยศต่ออัลลอฮฺ นั่งสูบบุรีสูบกัญชาสูบ อ, อะไรตัอะไรถ้ามาทำลายตัวเองทำไมทำไมไม่ขอบคุณอัลลอฮ์สุบฮานาบูวาตาแล้ว